กายอันหนึ่งกายเป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกรเป็นฉไนในกรณีนี้ภิกษุบางรูปเป็นผู้มีผิวพรรณน่ารังเกียจไม่น่าดูมีรูปร่างเล็กมีอาพาธมากเป็นคนบอดง่อยกระจอบหรืออมพาษ ภ, ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุนั้นด้วยกายใด กายนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาที่ก่อน